ปรกรณ์คือคำภีตำราหรือหนังสือปกินนกะคือเบตตะเล็ดปติญญาคือการให้คำมั่นสัญญาการแสดงยืนยันโดยถือเอาความสุจริตเป็นที่ตั้งปติสวะคือการรับคำและไม่ทำตามรับ ปัตตาพีเป็นของมีอินทรีย์คือเชื่อว่าดินเป็นของมีอินทรีย์คือมีชีวิต ป, ปัตมาปฏิกะต้องอาบัตตตั้งแต่แรกทำคือในขณะทำเสร็จประชดคือกแกล้งแสดงให้ตรงกันข้ามกับความจริงใจประโยคกาย คือกระทำด้วยกายกิริยาอาการที่แสดงทางกายปรมประโภชนะฉันอาหารในที่นิมนต์ที่หลังปริกับหน้าส5สิบหคือความกำหนดใจเช่นกำหนดใจว่าหากว่าถ้าว่าปริกับ หน้าสาอีกความหมายหนึ่งคือเงื่อนไขที่กำหนดให้เช่นสั่งว่าให้ไปขโมยเอาสิ่งนั้นๆในเวลานั้นๆเป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าสั่งยังมีปริกับสั่งให้ไปขโมยโดยไม่มีเงื่อนไขเรียกว่าสั่งยังไม่มีปริกับปริวาดการอยู่ค้างคืน การอยู่แรมคืนหรือชื่อธรรมเนียมอย่างหนึ่งที่ภิกษุต้องสังฆาทิเศษและปิดไว้ต้องประพฤติปริสาวิบัติกรรมเสียด้วยบริสัทคือการชุมนุมสงฆ์ไม่ครบองค์กาหนดเสียกรรมเพราะบริสัทธปริสาสมบัติสมบูรณ์ด้วยบริสัทคือชุมนุมสงฆ์ครบองค์กาหนด ปาวารณาสังฆกรรมที่สงทําแทนอุโบสถกรรมในเมื่ออยู่จําพรรษาครบไตรมาสแล้วการยอมให้ว่ากล่าวการยอมให้ตักเตือนการเปิดโอกาสให้ตักเตือนที่สงทําในวันออกพรรษาปัสสุสัตว์คือสัตว์เลี้ยงปัจจัย จากหน้า195ในที่นี้หมายถึงเหตุคือภิกษุได้รับนิมนต์หนึ่งเป็นไข้หนึ่งจัดเป็นปัจจัยหรือเหตุในที่นี้ปัจจุดทรคือถอนเสียจากความเป็นของอธิษฐานปัญจังคะาเก้ายี่มีองค์ห้าคือเท้าสี่พนักหนึ่ง ปันนัติวัชชะมีโทษทางพระพุทธบัญญัติปัตตวักงวดแห่งสิกขาบทที่ว่าด้วยเรื่องบาปเป็นต้นปาจิตตีการละเมิดพระบัญญัติอันทำความดีให้ตกไปชื่อแห่งอาบัติจำพวกหนึ่งซึ่งเป็นอาบัติเบาเปรียบด้วยละหูโทษปาถา คือบาลีหรือพระพุทธพจน์ปาติโมกคัมภีเป็นที่รวมวินัยของสงฆ์มี227ข้อข้อปฏิบัติที่สำคัญมีพระพุทธานุ ญ, ญาตให้สวดในที่ประชุมสงฆ์ทุกกึ่งเดือนปาราชิกเป็นชื่อแห่งอาบัติที่ทำพูดต้องให้พ่ายแพ้ได้แก่ขาดจากความเป็นภิกษุ อริวัตกังคือแลกเปลี่ยนอุรานจีวอนคือจีวอนเก่าเปรตอนมนุษย์จำพวกหนึ่งเกิดในอบายภูมิ